สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่เราจะเข้าสู่กฎแห่งความสมดุลซึ่งเป็นกฎที่13ครับของ20กฎทองคําที่นําสู่ชีวิตที่สมานฉันและดีงามของท่านาศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงนะครับและแปลโดยท่านาศาสนาจารย์สุพิธวิจักโยธินพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าไปถึงเนื้อหามีหลายท่านก็ เขียนมาถามผมส่วนตัวนะครับว่าพอมีหนังสือเล่มนี้เหลืออยู่ไหมผมอยากจะเรียนพี่น้องทุกท่านทราบว่าหนังสือไม่มีขายนะครับมีแต่แจกฟรีแต่ว่าได้แจกไปหมดแล้วนะครับหลายปีก่อนท่านศาสตราจารย์สุพิธวิจักโยทินนั้นท่านได้กรุณาได้แปลหนังสือเล่มนี้ออกมาครับแล้วก็แจกไปให้กับผู้รับใช้หลายๆท่านแล้วก็ ถ้าหากว่าพี่น้องอาจจะยังพอจะอยากจะได้นะครับก็ขอให้ติดต่อกับท่านศาสตราจารย์สุพิษวิจักโยธินนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎที่13ครับกฎแห่งความสมดุลเราจาเป็นต้องเรียนรู้กฎแห่งความสมดุลถ้าหากไม่สมดุลหรือคาดเคลื่อนก็ จะมีปัญหาครับหากไม่มีความสมดุลก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนเหมือนกับเหรียญเหรียญหนึ่งนะมีสองด้านครับถ้าเราดูเพียงด้านเดียวก็จะไม่ครบถ้วนสัจธรรมความจริงก็เช่นเดียวกันจะดูแค่ด้านเดียวก็หาไม่ได้สัจธรรมความจริงนั้นต้องดูให้ครบถ้วนมีบางสิ่งบางอย่างดั้งเดิมนั้นดีแต่ถ้าคลาดเคลื่อนแล้วสิ่งดีก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้ กลายเป็นอุปสรรคได้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจให้ดีในพระธรรมอิสยาห์ครับบทที่สิพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อที่สองได้กล่าวถึงพระจกิดขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็มีความสมดุลอย่างยิ่งโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าอิสยาห์บทที่11บเข้อสิครับพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะอยู่บนท่านคือวิญญาณแห่ง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 จากข้อพะธ ร, รมข้อนี้เราจะเห็นถึงการกล่าวถึงการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งแบ่งเป็น3คู่ด้วยกันครับแบ่งเป็น3คู่คู่แรกคือปัญญาและความฉเฉลียวฉลาดคู่ที่2ก็คือการวินิจฉัยและอนุภาพคู่ที่3ก็คือความรู้และการยำเกรงพระเจ้า พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูกัน3คู่นะครับโดยภาพรวมก่อนและในวันต่อๆไปนั้นผมก็จะขออนุญาตขยายความนะครับคู่แรกครับปัญญาและความเฉลียวฉลาดท่านศาสตราจารย์ดรฟลิปเทงนั้นท่านได้ให้คำนิยามว่าปัญญานั้นเล็งถึงความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านเรื่องราวและวัตถุสิ่งของรู้แจ้งในเรื่องนั้นๆ ปัญญานั้นเล็งถึงความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องราวและวัตถุสิ่งของต่างๆรู้แจ้งในเรื่องราวนั้นๆตัวที่สองครับก็คือความเฉลียวฉลาดภาษาเดิมแปลว่ารู้จักวิเคราะห์แยกแยะเรื่องราวต่างๆได้สามารถแยกแยะให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างความดีความชั่วความจริงกับความเท็จบนกับล่าง สูงสรงมีเกียรติกับต่าต้อยก่อนกับหลังเบากับหนักข้างในกับข้างนอกยั่งยืนกับชั่วคู่ชั่วยามสว่างกับมืดถูกกับผิดรากกับใบเป็นต้นปัญญาและความฉลาดได้รวมเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมครับมีความเข้าใจ และมีการกระทํานั่นคือคู่แรกครับปัญญาและความเฉลียวฉลาดนะครับปัญญานั้นก็เล็งถึงความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องราวต่างๆวัตถุสิ่งของต่างๆเรื่องต่างๆมีความรู้แจ้งไปหมดความเฉลียวฉลาดก็คือการรู้จักวิเคราะห์แยกแยะอะไรที่เป็นคู่กันเช่นความดีความชั่วความจริงกับความเท็จข้างบนกับข้างล่างการสูงทรงมีเกียรติกับการต่ําต้อยไรเกียรติ อะไรมาก่อนอะไรมาทีหลังอะไรเบาอะไรหนักอะไรอยู่ข้างในอะไรอยู่ข้างนอกอะไรเป็นของถาวรยั่งยืนอะไรเป็นแค่ชั่วคู่ชั่วยามอะไรคือสว่างอะไรคือมืดอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือรากที่อยู่ใต้ดินและอะไรก็คือต้นที่อยู่เหนือดินเพียงคับสิ่งต่างเหล่านี้นั้นเป็นคู่กันความเฉลียวฉลาดนั้นสามารถแยกแยกออกจากกันได้ พี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นคู่แรกคือวิญญาณหรือพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะอยู่บนท่านคือวิญญาณแห่งปัญญาปัญญาคือความเข้าใจความรู้แจ้งและความเฉลิชาติก็คือการแยกแยะสิ่งต่างๆออกจากกันนั่นคือคู่แรกพี่น้องครับคู่ที่2ครับคําว่าวินิจฉัยวิญญาณแห่งการวินิจฉัยในภาษาจีนนั้นแปลว่าการวางแผน การวางแผนครับการวางแผนคืออะไรการวางแผนคือหมายถึงยกตัวอย่างเช่นการทําสงครามต้องวางแผนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากคู่กับอะไรครับคู่กับอนุภาพอานุภาพนั้นก็คือการทําสงครามนั้นต้องมีกำลังทหารครับมีแต่แผนการอย่างเดียวไม่ได้พี่นะครับเห็นนะครับว่าคำว่าวางแผน กับคำว่าอนุภาพนั้นต้องไปคู่กันดังเช่นการทหารการรบมีแต่แผนไม่มีกำลังไม่มีทางชนะสงครามครับคู่ที่3ครับความรู้กับความยำเกรงพระเจ้าวิญญาณแห่งความรู้กับความยำเกรงพระเจ้าต้องไปด้วยกันความรู้คือความคิดในส่วนของสมองความยำเกรงพระเจ้าคือการกระทา ของการดำเนินชีวิตการแสดงออกมาซึ่งความยำเกรงพระเจ้าคือการกระทำครับพราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง3คู่นี้สำหรับทุกคนที่มีใจจะรับใช้พระเจ้าปรารถนาจะวิ่งบนเส้นทางของพระเจ้านั้นอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าพอพะทัยจำเป็นต้องฝึกฝนและเรียนรู้ทั้ง3าคู่นี้ไว้ครับประวัติของคริสจักรนั้นมีความคลาดเคลื่อนมากมาย เช่นเรื่องที่ดีๆเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องเ็วร้ายไปคําสอนหลายคําสอนที่ผิดหลักแม้จะมีบางส่วนที่ดีก็ขาดเคลื่อนไปการทำลายล้านก็ร้ายแรงมากกว่าการเสริมสร้างครับนี่เป็นบทเรียนราคาแพงของประวัติศาสตร์คริสตจักรบนเส้นทางของการรับใช้พระเจ้า เราต้องแสวงหาความสมดุลระหว่างคู่ต่างๆพี่น้องครับในวันพวกนี้นั้นผมก็อยากจะขออนุญาตขยายความต่อนะครับทั้งสามคู่นี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองจะพยายามและจะสามารถที่จะทุนขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆในพระททำคัมภีร์ครับผมขอบคุณพระเจ้า ที่สิ่งต่างที่เป็นข้อคิดในหนังสือกฎทองคำา20ข้อนี้ทำให้ได้เรียนรู้แนวความคิดของท่านผู้รู้ครับก็คือศาสตราจารย์ด็ p h i l i ร์เฟริเทงและความช่ำชองในพระกัมภีซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเราจะต้องอ่านพระกัมภีให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะเรียนรู้ความจริงในการดาเนินชีวิตของเราให้มากขึ้น ไม่ใช่เป้าหมายที่จะสอนคนอื่นอย่างเดียวแต่เป้าหมายที่จะปรับปรุงตัวเองเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นกลับมาสรุปในเช้าวันนี้นะครับคู่แรกก็คือปัญญาและความเฉลียวฉลาดคู่2คือวินิจฉัยและอนุภาพคู่3คือความรู้และการยำเกรงพระเจ้า ว, วิญญาณทั้ง3คู่นะครับก็คือ วิญญาณแห่งปัญญาและความเฉลียวฉลาดวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพวิญญาณแห่งความรู้และการยำเกรงพระเจ้านั้นจะต้องมีอยู่ในชีวิตของผู้รับใช้เสมอขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปี่ยมล้นในชีวิตของเราเติมเต็มชีวิตของเราและพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะทําให้ชีวิตของเรานั้นจะมี วิญญาณแห่งปัญญามากขึ้นวิญญาณแห่งความเฉลียวฉลาดมากขึ้นวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพมากขึ้นวิญญาณแห่งความรู้และการยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นครับในเช้าวันพรุ่งนี้เราจะมาดูนะครับแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละ ค, ละคู่มีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นอย่างไรบ้างขอพระเจ้าอวยพรพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับอาเมน